ได้ระดับของการมราคะเนี่ยมันมันละเลยการมราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้นี้มันจะละเอียดทั้งมันไปเลยเลยเพราะเร่งท<ม>่านัอกว่า ม, มีอะไรนี่าเ ร, ราะชาสีก็คือพวกสิงโตลายสีเนื้อเนื้องู เนือน้อเนอนหมีอะไรทนบอกว่าเวลาไปนั่นแล้วไปกินเขาแล้วมันได้กิ่นของพวกมันมันมัน ม, นมารังแกมากัดวงก้นนะ่ะมันบอกไว้ในพวินัยมีแล้เห็นได้ชัดชัดเรื่องเงนหมีมวันหูเป็นพยานได้อย่างดีหาสงสัยเลยเลยไม่เคยเห็นกันเลยแต่มัน ไ, ไล่กันถึงขนาดนั้นนะไล่จริงจริงนี่นะ คัดทันกลับจริงจริงไยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้หเดี๋ยววิ่งเด็วจะด้วยนะเนี่ยดาวเสียมเนี่ยนเล่นม่อันนี้ไปดูวิ่งไงอไ้ปากต่เป็นมันจะเป็นมอนกั น, นอุ้ยฮโอ้กลิ่นนั่นนะคนทั้งคนคงกลิ่นหมาอยู่นั่นนะ่ะนะ มันงป็นในไล่กันขนาดนั้นเดียวมันคงได้กลิ่นพอมองเห็นทาไมกลินมนคงหมาหรือไงไมู่่นะหรือมันจะเห็นทั้งตัวหมาอยู่ในนั้นก็ไม่รู้นะไอ้ยักษ์คงกว่านุ้ไร่ลกัดนี่ไหนาม า, ามนมนดิมาอะไรนเขู่ไม่อุ้มกระดงมึงไม่อุ้มจระเสืดิ่งมึงุ่นๆคลคอยจับจับนอกจากก็คู่ห่อห้อ ย, หอหอหอยคน เี้ยงเหี้ยงม่เี้ยงโอ้มันเหี้งหน่อยห้วยเห้ยมันเอไปกัดเราตัวนี้มันอี้ยงบังเหมืแล้วเนี่ยพูดนะห้วยมันก็ห้วเดียมันไปใช้ล่ะเฮไปใช้ขวดไปใช้ม่เห็นเลรเนี่เฮ้แถวไหนเดี๋ยวไปด้ เอาแม่เอแม่เอาแม่จ้าเอาแม่ท้อท้อ้าอออออออ๋องก็บุ้งก็ไม่ดม่อยู่ดื่อได้บังนได้อย่างอีนั่นนะเยม่บงได้อย่างอันนั้นบัันกูเน่ข้าวข้าวกน่าพเน่าอันได้อย่างอีแต่ดูยิ่น่ะไอ้บุ้ขาบ้าอย่างนึงบุ้งได้อย่างโอ้ผม่อยู่ดื่อได้กวอนี่หกลัวมันดีสร้างสมง ม, ลลมั น, น, ม น, น, น, ม น, น, นอย่างนั้นได้เขยี่ยมมันวันนี้ก็เข้าบงนี่คือข้าวอย่างเนี้ยเน้นนมาเข้นถ้าใส่หลอดยาหน่นยไหมเน้นนมาเขี้ยนนข้าวอย่างนันแล้วโม เอารหมือนเขาเาบ้างเลยนะเจ้ามันเรี้ยง้แต่ว่าถั่วมันเอานี่แล้วก่อนเห็นชัดเจนจริงๆกั น, นี่ลานี่ื่อจะถกสักท่าน่ตั้งไลากัดเอาจริงเหมือนเป็นเดือดเป็นแฉนจริงนะ เนี่ยนะโน่นาวงสารเราไงเราวิ่งเนี่ยลบไล่หรือไงที่บกือกินมูมันมากัดมันมาตั้งแก่มากัดตั้งเทรนว่านพอวินได้เห็นทัดๆเลยดีเนี่ยเน้นกับไอ้ดาวเทียมเนี่ยมูมันกินมูมันได้ พูดทีนึงไอ้นี่ก็ก่หมาเนี่ก็ปีกแข็เกลีวตกค้นยืกก น, นกินหมาทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> นี่ไน้ยต้องเปรบท่อระบบทีบ้านตักม่อมนะ่ะตากเป้ามือนนะ่ะของแถวนั่นกับมาแ เ, เมืองชนอืมออย่างนั้นแหละกรุงเทพก็ยังไปไประจันหัน ก็จะเอาะไรมาสะดวกสบายผลภาคดส่วนจังธรรมนี่ยิ่งใกล้ขึงเทมนี่ลุมๆไปวันหนึ่งเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่ารดสี่สิบเ็ดคันฟังเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คันเนี่ยเห็นแต้มเงินทุกวันเพามาใส่บาทแล้วเขากลับก็มี สบายตามระยะทางแล้วมาใส่ที่หน้าวัดแล้วกลับไปก็มีเพราะวันทำงานเไม่สบายเขากลับไปก็มีพี่ผู้ไม่กลับก็มีอยู่เนั้นมันไม่ห่างไกลนะตั้งนาฬกาดูจากแถวคลองก็มีไปไกลพอดีฝนตกมูื่วนไตมันเป็นเอาเขาไม้สุงทั้งท่อนเหรอ ขวางไอ้คองครับนี่แล้วเปน็นเป็นสะพานใบไถ่ ไ, ไม้ลำเดียวล่ะไปไปท้องฝนตกเลยลื่นไงวะนี่กั้นล่มไปด้วยเขาเต็มาบลื่นนึ่ล้มผมล้มต้องการก็้อ ยังกังมไปแย่ยิ่เดี๋ยวเขาเต็มบัดแล้วกน้ำเต็มเขาแล้วังกังวมไปแย่โอ้ยยังก็ยังยั้งนกระตุ้นอีกยันวะงหุเนยมูอก็มาว่าฟังธรรมดาละพ่อปุ่นเนี่ฟังธรรมดาเพราะมันเป็นยังไงคิดอาจะของปุ่นคือองค์นั้นโบราณยังมากละเมือนเขาเต็มบาดกับน้ำก็เต็มเขาแล้วก็เลยเทออกส่วนแล้วมันเต็มไะจะเอายังไหนของมันล้งปุ่นจริงไห น่ามท่วมบ่ายมันเลยที่เอายังมากินเลยมันก็ออกของมันเองบ่ได้หาตได้เท่เลยมืวมาสฟังตังๆเล้าขอมายุตกดังๆคือเอาละเอาเปียกมูอบ่มีเจตนากับมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นท่นหนาคือเอาละเอาเปียกมูลมูอเป็นลำบากลาบุญเลาเราไปแค่นี้ทิชชูมือันนี้ ก็ไปเราก็อาะเปลี่ยนแปลง้็จะไปสารมันแบางสารนี่แบังไปลานิได้ไปจ้าหมาอีฝ้ายบินตบาดวางนี่นะมาเลยนะไปอีฝ้ายบินตาบาดเป็นเรียมผ่ามาแล้วค้องผ่าผ้ายบาทมาพร้อมแล้วดิ้นไมอีฝ้ายบินตาบาดปรากฏว่าของนิมิตเลยมันก็มากเราก็เรียมพร้อมโหลดก็ยังวางเรีวแต่ของนิมิต น, นะตามลังไปโหล ด, ดไปสององคนะ์แล้ว นี่ที่ว่าเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกว่าจะได้ไห้ท่านบางนย่ะอนะอลำบากลำบนขนาดไหนหลัางสูกฟ้านาสู้แดดทุกยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้ไห้ท่านแต่ละทะัานละขังไอเล่าถึงไม่ล่าละไปเอามากินยี่เฉยก็เห็นมาเป็นข้อลาบากลําบนว่านแล้วจะตส่งศาสนาไปได้ยังไงว่างี้นะทาน่านดิ แล้วถึงเวลาแล้วก็ไปเอาหวงงกันนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำลำบากลาบนแล้วจะทรงศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองมัวางกันคนพูดทั้งหมดเขากลัวจะหามกลัวจะเิมาหใสายบาทเท่าไหรเขาแทบลมจัตายเขาดิงเก่นคนกวายนั่นถูกบนบนหลอกฟังเหรอแล้วถึงเวลากบบแปเอามากินเฉยๆมันยังเห็นเป็นความลําบากลาบนนั่นเอง ช่งศาสนาไป็น่ังไงมิตรมิตรพระี่เก็บกอีข่านเต็มบ้านเต็มเมืองนี life life, sure. ่ท่านวางอ่ะแล้วท่านก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเนี่ยนี่ไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี้อันด้นป้าไปงี้ยบุกป้าไปเงี้ยไปเขามันมีอยู่บ้านนั่นไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านก็ต o p ปะนะนั่นนิมิตอ่ะท่านก็พูดทต่านก็เรื่อยองเ้ยเป็นธรรมนองยังมันเคยพูดเวลาเป็นตบัดท่านไม่ได้อยู่ปากนะ เป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมล้วนจะใครจะไปไปเกี่ยวข้องของท่านไม่ได้จะไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดใคยเขียนในหนังสือนเจอหมาเราเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังนะโห้ยสนุกฟังเจอควายเรพูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อไ ย, ยไม่ซ้ํากันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปําพังท่านนะ ถ้าไปยุ่งไม่ได้เพราอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงๆท่านหนักันมาหึว่าไงเาขาก็เฉยๆอยู่ก่นอนน้องท่านอันย่าหันเขามาอีกมายืนถามยริง น, นั่นแสดงว่าตั้งใจแหละจะถามถ้าการเรื่องย่อๆพัดหนึ่งท่านได้เงินปั๊บแล้วกับหันหน้าไปอีกไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาๆท่านนั่นเป็นเรื่องของอดของธรรมท่านถามไปเพียงเป็นเพียงจิตญาไปเฉย เพราะผมต้งได้เตือนหมูเพื่อนเราให้เป็ น, บนตะบะกกับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์ดูใกล้กับท่านท่านพูดอะไรเราไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดเลยอย่างนี้ท่านไม่ได้พูดกับเรานะวะท่านอาพอพลาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาเฉยนะถ้าไม่มีเจตนาจะถามเราจริงนะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเฉยผมไม่เตือนเพื่อนน มันเป็นของท่านเองเนี่ยเรามันผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะผ ม, มผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันหนักไปอะไรในนี้เนะี่ยมันหนักนี้เอแล้วก็ทําไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องของท่านอดินนะพระเรื่องที่เราเป็นงี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูนเพราะอะไรเนยเราก็ไม่สงสัยเลยนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณบาตมันก็มัก็เป็นเราเอง นอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างๆไม่พูดแต่ ม, มีเรื่องจะคิดคิดไปดังนั้นนิ่งๆมีแต่คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางทค า, ทาพูดนี้มันยังมีเรื่องให้คิดพินิพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนีน้เป็นเรื่องที่จะพูดบางเหมกัน พอเป็นพอพอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยเหมือนท่านอย่าต่ำพูดเป็นวรรคเป็นตอนมันก็พอจับเมื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ที่ได้บุกสิทธ์มากดุกสิทธ์ที่เป็นสาระสําคัญสําคัญในมากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นอย่างนี้ักหลผมปู่ในถนัดผมผมมาพอแม่ปู่จันมั่นผมว่า ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแมนะ่มันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่วางแหนมันถนัดมันถึงใจ <c oughs> น้อยเมื่อไรลูกศิษย์ท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ําหนึ่งกินก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่น <c oughs> ลุงปูปรงงพรมเป็นน้ำหนึง่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ท่านลงปูฟันน่นลงปูแหวนสี่เพชรน้ำหนึง่งน้ำหนึ่งนั่นี่ที่แน่ใจอะนี่แน่ใจเป็นเพชรน้ำหนึง่งออดยหมายป็นเพชรน้ำหนึง่งหมายถึงกิต ที่หลุดพ้นหลุดพ้นสมายท่าสมายุทธกาลขั้งพุตธการขขามาักรก็แบบพระาหารน่าเด่นจะว่าอะไรไม่มากนิ ท, นท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ศิงป์อาจารย์ว้าปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่า น, นนัานแหะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนักไม่ค่อยรู้ประวัติท่านอนะไร ไม่เหมือนท่านที่เหล่านี้ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปูค่คําดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัสารวันนั่งก็าตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะกา ร, รเดินถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คําดีนั่งอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คําดีไปพูดให้หมู่ขวัญฟังอยู่ที่สกลคนครผมก็ได้ฟังหลายครั้ง ว่าท่านกำลัดีสำคัญนะวัตถรวันวาพ่อนาสำคัญะวะวะวะวะงานวางงาน mm hmm. มันเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังเป mm hmm. ็นมาพังคนบูชาขคืนเนาะเวลาที่พวกเขาไปทำปัญหาพคนมาพังสลาวันโอเคท่าน mm hmm. ออนาก็เลยเราพบ ก, กันเรื่อยกับผม mm hmm. มันก็ได้พบ ก็พแมุ่จานร์เนี่กัแม่ตรงนั้นน่ะวล่านั่นน่ะดูว่าวันไหนอีกนะที่ น, น, นได้เงินจากพ่แมุ่จานร์ที่วัดสาะวัต ร, รัง น, น, นมากมัไ่ย่แต่จรจริงพมก็เล่าอยู่ด้วยนีย่กขเล่าผ ม, ผ ม, ไ, ปมไปพักรุงไปผู้เดียวผมที่คนแก่นผมตีตัวผมขโมยตีตัวไม่ให้ใครทรารบวัวพระคนนึนจะยุ่งผมตีตัวให้น้องไปตีให้ ธานีคองปิ่งก็ไปลงค้นเก่งไงเราเข้าออเปาปูเวียงไปพามีวัดทันวัดชยวันยังเคยพบ ก, กันมาตอนนั้นแต่ก่อนเพิงแต่ผมเรียนหนังสือหรือตอนยูคาล่าเคได้พบเัาว่าเลยพูดธรรมะปฏิบัติเหมือ น, นครั้งนี้นี่มาพูดธรามะปฏิบัตจากนั้นก็ประธาทนที่วัดทั้งพระปู่ถึงไปดูเรื่อง ท่านท่านพูดท่านท่านรู้สึกว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะเราเองยังเราเองยังอะไรไม่สบายใจเลยอย่างที่ท่านสั่งคําพูดฝากคําพูดมากับรถตู้เช่ารู้เ่าท่านตอนท่านไปผ่าตัดอะไต่อมลูงหมางหรืออะไรมาเลยบินมาลงก็นั้นจังหวัดเลยทีนนี้ พระพุทธุศก็ไปตามส่งท่านถึงวัดถึงวัดแล้ ว, แ ล, วแล้วลาท่านกลับมานะั่นตอนลารนะัะท่านฝากท่านฝากคํานั้นนะแล้วคนนี่ก็มาพูดตามคําฝากนั้นเลยแนะหละฝากความคิดถึงระลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านอาจารย์มหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวเป็นอาจารย์นวัาตมานาะเงียดีตรงนี้นะ่ะ <c> ท <oughs> ่วนท่วนที่เราอายมากแล้วโอ้ยทาไมพูดอย่างนี้แล้วะก็ท่าน ท่านพูดสั่นสังมาอย่างนั้นเนี่ยไปใจผมแก้ไขไ ป, ไปอื่นๆผมแก้ไขงไงมันก็เคลื่อนข้าศแหน่ไปเนี่ยผู้นี่ก็ดีฝากความรู้ลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะ ท, นท่านมหาบัวเป็นอาจารย์หัวตมานะระหวา่างนี่เลยจะพูดอาจารย์พูดค <c oughs> รับเป็นหลักความจริง ก, ก็เราก็ได้ถวายธรรมะท่านจริงแต่เราไม่อยากก็นั่นเพราะเราไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าอะไรพูดมันจยากพูดมันเต็มปากนี่ บ้ายศบ้าบทอานาจวา ส, สนาอวดความรู้ความเฉลา่ยอย่างนั้นครูบาอาจารย์เราก็ถือนครูบาอาจารย์ท่านอาวโสเราเคารพท่านตามหลักธําหลักวินัยพูดตามเรื่องนั้นก็มีจริงๆก็อย่างที่ท่านว่าก็เราก็ยอมรบับไปกับธรรมดีใช่ไหีไปข้างหลังใช่ไหมละ่ะนี่แล้วไปพักนี่ไปพักบ้านทงมนุนใช่ไหม ลงปูอันนี้ก่อนพอตื่นเช้าฉานหารแล้วก็ไปหาลงปูกวามดีคือก่อนที่เราจะไปหาท่า น, นนั้นทุกคนนะการตีสี่ท่านลงไปเดินอยู่กรมท่านอยู่กุฏินี้ท่านเดชนทยกรมท่านอยู่เงินตีสีท่านลงไปเดินอยู่กรมแล้วเกิดปัญหาคล้องใจขึ้นมาอย่างหนักทําไงก็แก้ไม่ได้ทำไงก็แก้ไม่ได้ นี่ท่านพูดให้เราฟังเราถึงรู้เรื่องนะนนี่ตอนตอนพูดันอะไรกันเนี่ยน่ะท่านพูดให้เราฟังแค่ ป, ปุ๊บปรับขึ้นจากทานกรมมาก็มาหาพรูปเยือนทัานวัดท่านมาจุกทูดทูปจุดเทียนว่าวาพระตั้งสจักรฐานขอรัตนาท่านมหาบวมาโปรดโดยด่วนว่ายาี้ท่านท่านพูดในกรดาษด้านนะ่ะไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงแต่สมหาคนเดียวเท่านั้น ที่เห็นสมภาคุณเดียวนั้นท่านาเคยได้อ่านหนังสือผมเรื่องน่ะอันหนึง่งจนพูดกันอยู่ที่บ้านอยู่ที่คุณแก่นก็พูดอันนี้ก็ดีหลังจากนั้นมาท่านก็นอ่านหนังสือผมอ่านแว่นดวงใจนั่นที่ท่านว่าการแจงขันห้านี้ไม่มีใครที่แจงได้ละเอียดยิ่งกว่าทนายและแจงขันห้าทางภาคปฏิบัติแจงละเอียดมากขันว่าขันคงท่านก็นได้ น, นี่ด้วยนี่ท่านก็นเลยม